ที่มันน้อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่อบรม่ไม่เจริญไม่พอกพูนหรือว่าสัตว์เหล่าใดเสพมากอบรมทําให้มากเพิ่มพูนสัตว์เหล่านั้นชื่อว่ามีอินทรีย์แก่กล้านั่นนะก็คือสัตว์ที่พอกพูนศรัทธาเนี่ย น, นะมีต้นศรัทธาอยู่หน่อยหนึ่งก็รดน้ำโพรนดินไม่เลิกไม่ลามีศรัทธาไม่มากนักหรอกแต่ก็ไม่เลิกไม่ลาเจริญพุทธคุณมากๆอย่างไงเรียกว่า รถน้ําพนดินใส่ต้นศรัทธาว่างั้นเพียรพยายามเพื่อจะ ก, กําจัดบาปกําจัดอกุศล ก, ก็พ่อพูนเพียรพยายามให้มากขึ้นทีนี้ต่อไปนะสัตว์ทั้งหลายผู้มีอาการชั่วมีอาการดีมีอาการชั่วเนี่ยนะอาการดีอาการซ้ำนะต้องเป็นอาอาสยะเพราะฉะนั้นอาสยะตรงนี้ต้องเอาข้อหนึ่งมาที่บายเห็นไหมเอาข้อหนึ่งมาที่บายอนุสัยก็เอาข้อสองมาที่บาย จริจเอาข้อสามมาอธิบายเนี่ยนะอัธยาศัยก็เอาข้อสี่หรืออธิมุต่นั่นเองเอามาอธิบายแล้วก็มีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักสุน้อยก็เอาข้อห้ามาอธิบายเนี่ยนะเัราะาำว่าสัตว์ที่มีอาการดีได้แก่สัตว์ที่มีสัมมาทิฏฐิสัตว์ที่มีอนุสัย น้อยแต่อากุศลหรือไม่มีอนุสัยเนี่ยนะสัตว์ที่มีจริตที่ดีนะก็คือเนี่ยนะนะตัวเองเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วก็คลุกคลีอยู่กับคนชั่วแล้วก็มีทุลีคือกิเลสนะมากนะอากุศลกลุ่มรุ ม, รมยาจัสุน้อยมีศรัทธาเป็นต้นศรัทธาวิรยิยะสตะิสมาธิและปัญญามากอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสัตว์ที่มีอาการดี สัตว์ที่มีอาการซามก็คือสัตว์ที่มากไปด้วยอาสยะนะมีมิจฉาทิฐนะิอนุสัยกลุ่มรุมมบบนั้นเถอะการมาราคานุสสยปฏิคาอนุใสยอวิชานุสัยกลุ่มรุมนะสัตว์ที่มีจริตจริตก็คือสร้างอากุศลเจริญแต่อากุศลมากๆหรือว่ามีอัธยาศัยนะคือคลุกคลีกับคนไม่ดีด้วยกั น, นนะตัวเองเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วก็คลุกคลีอยู่กับคนชั่ว แล้วก็มีธุลีคือกิเลสในปัญญา ม, มากนะอะกุศลกลุ่มรุมมากแล้วก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาน้อยนะเาเรียกว่าสัตว์ทาาี่มีอาการสามสัตว์ที่มีอาการดีมีอาการสามพระองค์ก็แยกแยะจำแนกแจกแจงได้อย่างละเอียดแล้วก็สัตว์ที่จะพึงสอนให้รู้ได้ง่ายก็คือสัตว์ที่อยู่ในข้อ9สอนง่ายสัตว์ที่อยู่ในข้อสิบ สอนยากเนะนะี่ยนะถ้าจึงมีความสัมพันธ์กันมาเรื่อยเนาะนั้คนที่มีอาศัยะมีอนุสัยมีจริตมีอัธยาสัยมีทุลีในคือกิเลสในปัญญามากมีศรัทธาเป็นต้นอ่อนพวกนี้สอนยากนะคนที่ตรงกันข้ามก็สอนง่ายเนี่ยนะนะแล้วก็สัตว์ที่เป็นภพภัสศผู้ควรบรรลุธรรมเพราะไม่มีเครื่องตลางกัน้น ภาพสัตวเนี่ยนะก็คือสัตว์ที่ไม่อาภาบอพัพพาเนี่ยแปลว่าควรบรรลุธรรมสัตว์ผู้ควรบรรลุธรรมสัตว์ที่ควรบรรลุธรรมเพราะไม่มีเครื่องกลางกั้นสัตว์ที่มีเครื่องกลางกั้นคือกรรมนะคนที่ทํำอนันตริยกรรมทั้งห้าเนี่ยไม่มีสิทธิ์บรรลุโลกุตระธรรมแน่เหมือนพระเจ้าชาตสตรูใช่ไหมฆ่าพ่อเลยไม่ได้เป็นพระโสดาบันเลยหรือสัตว์ที่มีเครื่องกลางกั้นคือกิเลส นะเป็นมิจฉาทิฐิอันนี้ก็ไม่มีโอกาสได้บรรลุ Bild มรรคผลหรือคนที่มีเครื่องต่างกั้นคือวิบากปฏิสนธิด้วยเหตุกะเช่นพญานาคราดเ น, นี่ยนะพวกนาคพวกงูพวกสัตว์เดรัจฉานไม่มีสิทธิบรรลุทำเพราะอะไรเพราะวิบากเป็นเครื่องตาา่างกันพวกที่ปฏิสนธิด้วยเหตุกกะทวิเหตุตุกกะและทุเหตุตุกะหรือทวิเหตุกะตกะเกนี่ยนะไม่มีโอกาสบรรลุทำเพราะมีวิบากเป็นเครื่องต่างตั้น เพราะฉะนั้นสัตว์ที่จะบรรลุทำได้ต้องเป็นติเหตุกะเนี่ยนะปฏิสนธิจิตเนี่ยนะจะต้องมีอโลพาอะโทสและอะโมหะเกิดขึ้นในขณะปฏิสนธิหล่อเลี้ยงผวังเป็นต้นเขาจึงจะบรรลุทำได้โอ้บรรลุไม่ใช่ของง่ายนะหรือว่าสัตว์ที่มีศรัทธาก็ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ควรบรุธรรำมีฉันทามีปัญญา สัตว์เหล่านี้ควรที่จะยังลงสู่มัทสมควรบรรลุอย่างั้นเถอะถ้าไม่มีเครื่องตางกาั้นคือกรรมกิเลสวิบากเป็นคนที่มีศรัทธามีฉันทะมีปัญญาสัตว์เหล่านี้ควรบรรลุอริยมรรต์แต่ถ้าตรงกันข้ามมาเป็นอาภาัพเลยเรียกว่าคนอาภาัพอ่ะนะคนอาภาัพก็คือคนที่อับโชคไร้วาสนาไม่สามารถจะบรรลุทำได้เรียกว่าคนอาภาพัพแต่ไทยไทยเราเรียกไงนะคนอาภัพคืออะไร คนอภัพก็คือคนที่ไม่มีใครเหลียวแลเลยเรียกว่าคนอภัพนะแต่ที่จริงอภัพแบบไทยๆเนี่ยคนละอย่างกับอภัพในคําสอนคําว่าอภัพในคําสอนคือคนที่ไม่มีโอกาสบรรลุเมตตาใช่ไหมอาภัพข้อแรกไม่ได้บรรลุมรรคผลด้วยอภัพข้อที่2ไม่มีคนสนใจอภัพข้อที่3คิดว่าตัวอภัพก็เลยอภัพไปตลอดกาลนะครับนี่ไม่คิดจะแก้ไขไม่คิดจะพัฒน์ข้างในพระพุทธเจ้าสอนมาไงรู้ไหมดับเบิลอาภัพเลยครับนี้ อะไรจะโอ้ยอะไรจะทุกขนาดนั้นเนาะทุกทั้งหลายก็ประดังเข้ามาเราเป็นพับผ้าหรืออาพับดูจะข้อสิบสี่เนี่ยซะส่วนใหญ่เลยนะอัแล้วมา ก, ก็าเหมือนกันอะไรอาพับเหมือนกันเออแต่ถ้าหากว่าเราโมแต่ยิงเอ้ยเรานี่อาพับเนคะดูถ้าจะอาพับตองสามไปอีกแล้วค่านนี้จะเบิ้ลอาพับเป็นสามเท่าแล้วใช่ไหม อาพัพข้อแรกไม่ได้บรรลุมรรคผลด้วยอาพัพข้อที่สองไม่มีคนสนใจอาพัพข้อที่สามคิดว่าตัวอาพัพก็เลยอาพัพไปตลอดกาลนะครนีไม่คิดจะแก้ไขไม่คิดจะพัฒนาพระพุทธเจ้าสอนว่างไงรู้ไหมวิริย์นะทุกขมักเจติสัตว์ทั้งหลายจะล่วงพ้นจากความวัตทุกได้เพราะความเพียรความพยายามไม่ใช่สอนให้นอนงอมืองอเท้าใช่ไหมแล้วราชรถจะมาเกย ราชรถสมัยนี้18ล้อนะเกยไขในกระบานแบกแนะ่เพราะฉะนั้นสัตว์ที่อาภัพก็คือสัตว์ที่ไม่ควรบรรลุธรรมเพราะมีเครื่องกลางกาั้นคือกรรมคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระระหันคนที่มีกิเลสคือนิยตมิจฉาทิฐิมีวิบากคือปฏิสนธิด้วยอหิตุกะเป็นต้นนะ น, นะแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีฉันทะในกุศลธรรมไม่เต็มใจทาบุญเลยแบบนั้นเถอะ โอ้สุดยอดแห่งความขี้เกียจแล้วงี้อบอกว่าถ้าบอกว่าบาปนะเฮ้แต่บอกว่าบุญไงแต่ก็ปรากฏคนไม่มีชันทะไม่มีปัญญาที่จะยังลงสูงมักเพราะฉะนั้นนี่ก็คือลักษณะของสัตว์โลกที่พระองค์ได้ทรงตรวจตราแยกแยะไข้ครนดูเพราะความที่พระองค์เนี่ย ม, มองสัตว์ทั้งหมดเหล่านี้ออกโดยแจมแจ้งพระองค์จึงคัดเลยว่า ผู no, so, ้ที so, ่จะบรรลุธรรมมีเท่าไหร่ไม่บรรลุธรรมมีเท่าไร่เสร็จแล้วพระองค์ก็ไม่สนใจพวกที่ไม่บรรลุธรรมเอาเฉพาะพวกที่บรรลุธรรมในคนที่บรรลุธรรมเนี่ยนะเป็นอุคติตันยูเท่านี้เป็นวิปัญจิตันยูเท่านี้เป็นเนยยะบุคคลเท่านี้แล้วในบุคคลเหล่านั้นราคะจริตเท่านี้โทสะจริตเท่านี้วิตกจริตเท่านี้โมหะจริตเท่านี้ศรัทธาจริตเท่านี้ พุทธิจริญเท่านี้แยกจริตเลยแล้วในเจริตเหล่านั้นเนี่ยนะเหมาะด้วยพระธรรมเทศนาอย่างไรพระองค์ก็แยกพระธรรมเทศนาเลยแล้วพระองค์จึงรับปากกับเท้ามหาพรหมจึงจะแสดงธรรมเนี่ยนะเรียกว่าใคร่ครวญตรวจตราสงสัยพวกราของเราตอนนั้นลอดพุทธจักรสุมาได้เลยนะพระองค์มองไม่เห็นหมั้งนะมึดไปหมดเลยนะอย่างไงก็ตก้องต ก, ตกทะเลจนได้นั่นแหละแต่ถ้าเดินไปเหนือไม่แน่นะพราัน ถ้าเราเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องสร้างกุศลธรรมบำเพ็ญบารมีบุญญาไม่เลิกลาโดยทางไม่มีบุญอะ่ะแต่ทีนี้อ้าวเรากำลังทาบุญอะ่ะจะไปหนักใจอะไรเดี๋ยวถ้าบุญให้ผลนเสร็จเราแน่นะคนมีบุญจะไปทุกข์อะไรแต่คนอื่นเขามีบุญเขาผ่านพ้นไปแล้วแต่เรากําลังทําบุญอยู่ถ้าเราไม่เลิกราเราก็ต้องเหมือนกับเขาสิยอมไหมก็บอกว่าเดินทาง ไปใต้ไม่ยอมเลิกรายังไงก็ลงทะเลอยู่แล้วนะนะถ้าไม่ถอยหันหน้ากลับหันหลังไปเหนือซะก่อนถ้าเดินไปใต้อย่างเดียวยังไงก็ไปลงทะเลแถวสัตหีบนั่นแหละยังไงก็ตก้องตกทะเลจะได้ น, นั่นแหละแต่ถ้าเดินไปเหนือไม่แน่นะพั้นถ้าเราเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องสร้างกุศลธรรมบำเพ็ญบารมีไปอยา่างไม่เลิกลา โดยที่มีพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาผู้ชี้เนิทิศทางใช่ไหมเพราะเราเดินทางนี่ไม่ได้เดินทางแบบไม่มีเข็มทิศไม่มีแผนที่นี่พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่คำสอนก็ยังอยู่เพราะว่าถ้าคำสอนยังอยู่พระพุทธเจ้าก็ชื่อว่ายังอยู่ใช่ไหมเพราะพระองค์ตรัสว่าธรรมะวินัยใดที่พระองค์ตรัสไว้ธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเรา เพราะฉะนั้นพวกเราถ้ามีพระธรรมคําสอนเป็นศาสดาไม่เลิกไม่ราในที่สุดเราก็สามารถที่จะพ้นจากวัฏทุกข์ได้แต่ว่าปัญหาสําคัญเบื้องต้นเนี่ยนะไม่ทราบว่าจะจุติปฏิสนธิวันนี้หรือพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้ได้อันปัญหาเริ่มต้นก็คือศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าหมั่นตามและลึกนึกถึงคุณของพระ อ, องค์ให้มากๆเพราะฉะนั้นคนที่ตามและลึกนึกถึงคุณของพระ อ, องค์อย่างไรสุขคติก็ หวังได้ายากแน่นอนเนี่ยนะท่านคำว่าสัตววัโลกเนี่ยนะก็ให้อัตตะไว้เป็นตัวเล็กๆว่าชมนมและความสืบต่อแห่งขันที่เนื่องด้วยอินทรีย์ชื่อว่าสัตววัโลกคําว่าอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สืบเนื่องประชุมเป็นไปอย่างนี้แหละเรียกว่าสัตววัโลกโลกคือสัตว์หรือว่าโลกคือหมู่สัตว์ชื่อว่าสัตว์ก็เพราะความเป็นผู้คล่อง ในอารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้นใช่ไหมเห็นสีก็คล้องในสีฟังเสียงก็ติดคล้องในเสียงดมกลิ่นก็ติดคล้องในกลิ่นในรับรสก็ติดคล้องอยู่ในรสได้รับกระทบโพธาพะก็ติดคล้องอยู่ในโพธาพะนึกคิดทรอารมณ์ทั่วไปก็ติดคล้องอยู่ในสิ่งเหล่านั้นก็บอกคล้องไปทุกเรื่องติดไปในทุกเรื่องอะไอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสัตว์เพราะว่าสัตว์แปลว่าผู้คล้องนั้นที่ชื่อว่าโลกโลกคือหมูสัตว์เนี่ยคำว่าโลกเพราะเป็นที่เห็น เห็นบุญเห็นบาปนะนะเห็นกุศลอกุศลและเห็นผลของบุญของบาปเห็นผลของกุศลและอกุศลอันนี้เรียกว่าพูดถึงสัตว์วัตโลกพระพุทธเจ้านี่โลภวิถูรู้จักโลกทุกอย่างเนี่ยนะโลกเหล่านี้เนี่ยนะหมูสัตว์ไม่ว่าเฉพาะสัตว์ในจักรวาลนี้สัตว์ในจักรวาลไหนสัตว์ในไหนพระองค์ก็มองเห็นแต่พระองค์มองเห็นและสังเวชใจนะโอ้พวกนี้โปรดไม่ขึ้น เห็นแล้วละแต่ว่าเห็นแล้วโกรดไม่ขึ้นนี่จะว่าไงนะพระองค์คงจะเจริญกรุณาเจตสิกเกิดขึ้นนะนะมหากิริยาที่เป็นกรุณานี่ยก็เกิดขึ้นโอ้สัตว์ทางหลายทุกเนอโลกนี้ทุกเรียกว่าโลกสันนิวาสเดือดร้อนเหมนกันกรรมนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนี่ยนะนะเป็นกรรมคืออะไรเจตนาสุดแท้แต่เจตนาของเขานั่นแหละ เขามีเจตนาไม่ดีเขาก็ไปไม่ดีเขามีเจตนาดีเขาก็ไปดีใหญ่จะพาะตนจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปพระองค์ก็มองเห็นสัตว์ทั้งหลายอย่างตลอดสายนั่นแหละแล้วพระองค์ก็สอนให้เขาฟังใช่ไหมถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามแล้วพระองค์จะไปว่าอะไรเขาได้ใช่ไหมเคยสอนลูกเปล่าสอนลูกเอา้าลูกไม่ทําตามอ่แม่ก็ทำํทำไงทําตามปริบๆเาเขาไม่ทําตามจะไปว่าอะไรเขาอย่างนั้นแหละ พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันสอนแล้วเข้าม่ทําตามพระ อ, องค์จะไปว่าอะไรเขาสัตว์โลกกร ม, มุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนี่ย น, นะนะเป็นกรรมคืออะไรเจตนาสุดแท้แต่เจตนาของเขานั่นแหละเขามีเจตนาไม่ดีเขาก็ไปไม่ดีเขามีเจตนาดีเขาก็ไปดีเพราะเจตนานั่นแหละเป็นเป็นใหญ่ของโลกเลยนะ เพราะว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไ ป, นปนตามกรรมหรือตามเจตนาเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผาพัน์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายจะทำกรรมอันใดไว้เนี่ยนะเจตนาเขาเป็นอย่างไรอ่ะเขาจะได้รับวิบากตามสมควรแก่เจตนานั้นนั่นแหละอันเจตนาที่ไม่ดีให้พ้น วิบากก็ย่อมไม่ดีเป็นแน่พอถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามกรรมนะสัตว์โลกก็น่าจะเหมือนกันหมดใช่ไหมท้องพอ่อท้องแม่เดียวกันน่าจะเหมือนกันหมดแต่นี้ไม่ใช่เพราะกรรมแตกต่างกันเนี่ยนะกรรมที่แตกต่างกันให้ผลแตกต่างกันผลแห่งกรรมที่แตกต่างกันนี่แหละทำให้กิเลสต่างๆเกิดแตกต่างกันเมื่อกิเลสต่างๆเกิดทากรรมใหม่ที่แตกต่างกันอีกวิบากก็เลยแตกต่างกันไปเรื่อย ธาตุทั้นะาทางหลายก็มากอย่างนี้แหละก็เป็นไปตามในลักษณะนี้เราฉะนั้นเราก็ศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างนี้ศึกษาเรื่องกรรมให้เข้าใจตลอดสายแล้วแทงตลอดเรื่องกรรมให้ทะลุโปร่งว่ากรรมนั่นแหละเป็นฝักไฟแห่งสมุทัยสัตว์กรรมเนี่ยนะอยู่ในฝักายแห่งสมุทัยสัตว์นะนเพราะฉะนั้นกรรมตัณหาอาวิชชาอุปาทานตระกูลเดียวกัน นนะประเภทเดียวกันกรรมจะไม่ให้ผลเลยนะถ้าไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชาเพราะมีตัณหาเพราะมีอวิชชานั่นแหละกรรมจึงให้ผลอวิชชาเป็นสมุทัยกรรมก็เป็นสมุทัยอุปาทานก็เป็นสมุทัยแต่กามุปาทานเป็นสมุทัยย์โลภะเป็นสมุทัยย์ หรือตันหาเป็นสมุทัยสัตว์สมุทัยกับสมุทัยสัตว์มันก็อยู่ใกล้ๆ ก, กนันนั่นแหละมาเป็นเครื่องประกอบเครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องร้อยเครื่องรักในอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะท่องปาทานเนี่ยนเรานี่เนี่ยนะก็เลยทํากรรมยกใหญ่เลยวิบากก็เกิดขึ้นพอวิบากเกิดขึ้นทํากรรมใหม่ละมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งจากพบน้อยสู่พบใหญ่ท่องเที่ยวไปไม่มีที่สิ้นสุด น้ำนมที่เธอดื่มกินมากกว่าน้ําในทะเลมาหาสมุทรเนี่นะโอ้ยดื่มนมมากเหลือเกินเนี่ยนะดื่มนมมากกว่าน้ําในมาหาสมุทรเนี่ยท่องเที่ยวไปในสังสารทุกขอันนี้เนี่ยนะมากมายยาวนานเหลือเกินของสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชาเป็นเครื่องต่างตั้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบเครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องร้อยเครื่องรักในอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะท่องเที่ยวไปเธอเนี่ยนะ เลือดของเธอว่างั้นเถอะเธอสูญเสียเลือดเนี่ยนะเมื่อท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเนี่ยมากกว่าน้ําในทะเลมหาสมุทรอีกนะคิดดูนะยามเมื่อเกิดเป็นวัวเกิดเป็นควายเกิดเป็นหมูเกิดเป็นไก่เกิดเป็นคนแล้วเขาตัดหัวงี้เกิดเป็นวัวถูกเขาเชือดถูกเป็นหมูเขาเกิดเป็นเชื้อเนี่ยนะเลือดที่ลังไหลออกจากลําคอเลือดที่ลังไหลออกจากบาดแผลเนี่ยนะมากกว่าน้ําในทะเลมหาสมุทรอีกนะ เฉพาะชาตินี้ก็เสียเลือดไปตั้งเยอะกันเนี่ยนะแล้วก็สะสมเลือดอันนั้นสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยนะโอ้ยพออวิชชาแท้ๆเนี่ยนะอวิชชาเนี่ยมันเป็นศัตรูภายในเป็นฆ่าศึกภายในเป็นอมิตรภายในเป็นเพชฌฆาตภายในจริงๆ น, นะพระองค์บอกว่าเป็นฆ่าศึกภายในศัตรูภายในที่นอนอยู่กับเราทุกวันไปไหนเข้าไปด้วยเนี่ยนะ อ๋ไปที่ไหนเคยเห็นอริยศาสตร์มั่งแล้วแสดงว่าที่นั่นอนะ่ะมีอวิชชาไปด้วยหมดนั่นแหละทุกๆุกคนทุกๆแห่งที่เราไปเมื่อไหร่นะจะได้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ชี้ให้เห็นอะไรก็เห็นตามที่พระองค์ว่านะถ้าเห็นเหมือนที่เราว่าเราว่าไงของเราว่าสวยอย่างเดียวสุขอย่างเดียวสนุกอย่างเดียวเที่ยงอย่างเดียวเลยนะอัตตาอย่างเดียวแต่คําสอนไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพรา ะ, ะเราไม่ได้เห็นตามคําสอน เมื่อใดที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นเราก็พ้นจากทุกข์ใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพักๆเป็นสาวกของจิตเป็นพักๆจิตแนะนําอะไรเชื่อมาไรนนั้นเป็นสาวกของจิตกับเผ่าของพระพุทธเจ้าสลับกันแต่ถ้านานๆนี่นะถ้าเราไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าซะก่อนเราก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสบายแล้วปิดอบายเลยอัั้นถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็น สปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายปฏิปันโนสามีจิตปติปันโนเป็นโสดาบันบุคคลเป็นพระสกาทาคามีบุคคลเป็นพระอนาคามีบุคคลแล้วก็เป็นพระอรหันต์บุคคลสบายเนี่ยนะแต่เป็นถ้าเป็นสาวก ข, ของจิตนะจิตเนี่ยบางครั้งก็ไปนรกมั่งเนี่ยพาไปนรกเลยนะก็บอกธรรมกุศลอย่างงี้สิมันเสี้ยมสอนเนี่ยนะทําอย่างนี้อย่างนี้อนบอกทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวนหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วแต่ใจถ้าหากว่าบุคคลมีใจ อันโทษคือโทสะเป็นต้นปทุสลายแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีคีดอยู่ก็ดีเนี่ยนะมันทําได้เรื่องไม่ดีเท่านั้นะความทุกข์ก็จะติดตามตัวเข้าไปเหมือนกับล้ อ, อกเกวียนนะที่หมุนไปตามรอยเท้าโควันอกุศุลธรรมที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเนี่ยนะที่มันจิตที่เป็นอกุศลมันเสี่ยมสอนเรานะบางครั้งมันเบียดเราไปตกนรกบางครั้งก็ปัดเราไปเปลี่ยเป็นเดรัจฉานเป็นเปรีเป็ น, ป น, ป น, ปนอสุรกายเนี่ยนะ น, นันนจึงจะพาให้มาเกิดเป็นมนุษย์ซักทีหนึ่งเหมือนก็บอกว่ากว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มันยากก็บอกเหมือนเต่าตาบอดทํากุศลเคยเห็นไหมสัตว์เดรัจฉานจัดมหากรรมฟังธรรมมีไหมมีเดี๋นะเคยเห็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะจัดให้ทานจัดสมาทานพัดไปทิศใต้ลมจากทิศใต้พัดไปทิศเหนือลมตะวันออกพัดไปทิศตะวันตกลมจากตะวันตกพัดไปในทิศตะวันออกไอบ่วงตาเดียววันนี่ยนะ ร้อยปีเต่าตาบอดจะโผล่มาทีหนึงร้อยปีเต่าตาบอดจะพผล่มาทีหนึ่งก็งั้นเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะพล่มาถูกบ่วงอันนั้นพอดีเลยเขาบอกว่าโอ้เป็นไปได้พระเจ้าข่าแต่มันยากเหลือเกินมันยาวเหลือเกินก็บอกอย่างนั้นและภิกษุทางหลายคนพาลเมื่อไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนารกแล้วยากนักที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะในหมู่คนพาลไม่มีการทํากุศล เคยเห็นไหมสัตว์เดรัจฉานจัดมหากรรมฟังธรรมมีไหมมี น, นะเคยเห็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะจัดให้ทานจัดสมาทานศีลจัดเจริญภาวนามีไหมดาานนไ ม, ม, หมดพากันเจริญกุศลเนี่ยไม่มีมดพากันให้ทานไม่มีมดพากัน ร, รักษาศีลก็ไม่มีเพราะฉะนั้นในหมู่สัตว์เดรัจฉานหมูสัตว์ในอบายทุกขติวินิบาตนะครกบเขาไม่มีการทํากรรมดีไม่มีการทําสุดจริตกรรม เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะตัวใหญ่ก็จะกินตัวเล็กตามฝ่ายตามเบียดเบียนซึ่งกันและกันคมเยงซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปสู่อบายทุกติวินิบาต์นเราก็ยากที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์แต่เขาก็มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นครั้งคราวคือเมื่อกุศลบางอย่างที่เขาเคยทําไว้ให้ผลถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลต่ำอีกนั่นแหละรูปชั่วตัวดําพาะเช้ากินขําไม่ข่าก็ไม่ได้กินเหมือนกันเถอะ สัตว์ไม่ตายท้องก็ไม่ไม่อิ่มอย่า ง, งนะถ้าสัตว์ไม่ตายท้องก็ไม่อิ่มอันชีวิตก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความระทมขมขื่นกว่าจะมีชีวิตอยู่แต่ละวันแต่ละคืนก็แสนจะทุกข์แสนจะยากแสนจะลําบากพากันก่อกรรมทําชั่วทางกายทางวาจาทั้งใจเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็เข้าไปสู่อาบายทุกขติวินิาณบาสนารกอีกอันพระองค์ก็มีกรุณาในสัตว์โลกทั้งหลายเหล่านี้ก็แสดงธรรม เพื่อให้สัตว์โลกนั้นพ้นจากทุกข์ซึ่งพระองค์ได้ใครควรวญอยู่เสมอว่าพระองค์พ้นแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่พ้นพระองค์ตรัสรู้แล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ตรัสรู้พระองค์นิพพานแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ปรินิพพานอันพระองค์ก็เลยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์สัตว์แสดงทำให้สัตว์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังเนี่ยนะแสดงทำให้สัตว์ได้ฟัง มันพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็สามารถยังสัตว์ให้ตรัสรู้ด้วยพระองค์ข้ามพ้นจากวัตทุกข์แล้วพระองค์ก็ช่วยสัตว์ให้พ้นจากวัตทุกข์ด้วยไม่ใช่เป็นคําพร่ำเฉยๆนะ เพราะวา่าพระสารีบุตรพระโมกขลานาะพระมหากะระสปะพระศรีติมหาสาวกอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีในสมัยพุทธกาลพระก็เป็นตามกรรมของพระโยมก็เป็นไปตามกรรมของโยมอ่นะศัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมของตัวของตัวใครทํากรรมอะไรก็จักสมควรแก่กรรมนะเจริญกรุณาให้กับตัวเองมากๆอ่ะนะพยายามหาเหตุหาปจอะไรนะกุศลจิตจึงจะได้เกิดได้บาสสร้างสมบุญกุศล ต, ต, ติ ด, ต, ดตามไป สักวันหนึ่งคงจะตามทันนะนะแหมเป็นสิทธิ์ปลายแถวสาย่างเดียวนี่ยแหมยากไปทั้งหมดเลยนะเขาไปดีกันหมดแล้วมาค้างอยู่ได้แต่ถ้าค้างแล้วก็นอนเฉมตีพุงสบายโอ้แหมได้รี่เพราะอะไรเลยแต่อย่างนี้ก็